ลักษณะสูตรซึ่งได้กลาวเกือบสองอาทิตย์พอดีเลยโอ้เป็นประสูที่ยาวมากอยู่ในหมวดทีขึ้นในกายไม่ยาวเราเราสนทนาเรื่องอื่นด้วยก็กลายก็เรื่องก็ยาวเหมือนกันข้อความในลักษณะสูตรซึ่งเป็นสูตรที่กล่าวถึงลักษณะของกรรม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 วันนี้มาดูกรรมเกี่ยวกับเรื่องการใช้สายตาบ้างการใช้สายตาก็เป็นกรรมเหมือนกันนะก็ความในคัมภีร์ท่านกล่าวว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในพบก่อนในกําเนิดก่อนไม่ถลึงตาดูไม่ค้อนตาดูไม่ชำเลืองตาดูนะก็คือพวกนี้ลักษณะการใช้สายตามองด้วยความโกรธนั่นเอง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 เมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลอะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือเป็นผู้ที่ชนทั้งหลายเห็นแล้วน่ารักใคร่น่าพอใจของพราหมณ์และเครือาบดีของชาวนิคมของชาวชนบทของหูราจาร์มหาอมาตย์กองทหารของนายประตูนะอมาตย์บริษัทของพวกเจ้าเศรษฐีของพระราชกุมารนักนะ็เรียกว่าเป็นที่น่ารัก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 ขาดศรัท ธ, ธาศรัท ธ, ธาพระไม่มีอพอไม่มีศรัท ธ, ธาพระปุ๊บตามระลึกนึกถึงคุณของท่านพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอาหารหันต์เป็นผู้ปราศจากราคะเป็นต้นปราศจากโทสะปราศจากโมหะปราศจากอุทจจักกุกจจัเป็นผู้ที่สงบระงับเป็นผู้ที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระมหากรุณาที่คุณหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเนื่องถึ ง, งนะหน้าของพระองค์ที่เอิอิ่มไปด้วย ถ้าเมตตาเมตตาของพระองค์นี้เป็นเมตตาระดับอัปปมัญญาเป็นเมตตาระดับฌานที่สูงสุดเป็นเมตตาที่เป็นสายตาที่ไม่ไม่ค้อนดูใครด้วยสายตาแห่งความโกรธเวลาพระองค์จะกล่าวกับผู้ใดนั้นจะเจริญกรุณาหรือจะเจริญเมตตาก่อนแล้วพระองค์จึงกล่าว น, นั้นสภาพจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นยิงเป็นจิตที่สงบร่มเย็นเพราะฉะนั้นเสียงนี้เป็นจิตตชรุบใช่ไหม นั่นแหละเสียงเป็นจิตตชรูปมาจากพระมหากรุณาที่คุณมหากรุณาที่คุณนั้นเป็นมหากิริยาจิตนะซึ่งสมุดฐานก็คือมหากิริยาจิตมหากิริยาจิตอนนั้นเนี่ยเป็นจิตที่ได้รับการบ่มการอบรมการสะสมมาตลอดระยะเวลาสอสงไขยแสนกับเพื่อที่จะได้มากล่าวนะให้อวาดแก่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังกัน ถ้าเป็นของคนโบราณก็จะได้ยินได้ฟังพระสุรเสียงคือเสียงของพระองค์โดยตรงแต่ของเราในยุคนี้ก็าบันทึกมาเป็นหนังสือเป็นอักษรอ่านแล้วก็ยังนึกไม่ออกเอเสียงจะเป็นอย่างไรนะก็พยายามนึกถึง เ, เราเนี่ยบุญน้อยนะโสตะวิญญาณไม่มีเพียงพอที่จะได้ยินเสียงแบบนั้นแล้วเราจักขูวิญญาณก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นพลัลลสนะนะผู้ที่มีสีหน้า เป็นที่รักใคร่ของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ถ้าหากว่าผู้ใดนะฮะได้มีโอกาสได้พบพระพุทธภาพนะครับยังประเด้แนะนําตัวเลยเพระองค์เรียกชื่อได้ถูกต้องแล้วเจริ่พานคือเมื่อไรเราจะได้มีบุญนะนะให้ได้ยินพระพุทธเจ้าเรียกชื่อเราเนาะก็บอกว่าชื่อของตัวเองนั้นเป็นเป็นคำที่ทุกคนฟังและเพราะมากเหมืนั้นี่ยเขาวางเงินอันใด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 แหม่ไม่ผ่องใสเลยไม่สดชื่นน้อยพระองค์น่าจะเรียกชื่อเราแล้วพระองค์น่าแสดงธรรมแต่พระองค์นี่ไม่ได้ตามใจใครนะเธอสิ่งนั้นเป็นประโยชน์เป็นสาระมีคุณค่าพระองค์ก็ทำถ้าไม่เกิดประโยชน์นะนั่งทั้งคืนก็ไม่แสดงธรรมนะบางสูตรเนี่ยนั่งทั้งคืนไม่แสดงไม่พูดแม้แต่คำเดียวไปพูดสว่างแล้วย่างบางแห่งเนี่ยไปชันเจ็ดวันไม่อนุโมทนาแม้แต่ครั้งเดียว บอกบริษัทไม่บริสุทธิ์ไม่ควรแก่การแสดงธรรมนั่นแหละมีอยู่ครั้งหนึ่งสมัยที่เขาถวายทานที่ไม่มีทานอื่นเสมอนะของพระเจ้าประเสรที่โกศลนนะ่ะทีนี้มีอัมมาศอยู่คนหนึ่งเนี่ยไม่พอใจที่พระราชาเนี่ยทำบุญอย่างนี้กลัวพระคลังจะหมดพรองค์ก็ฉันเสร็จก็กลับฉันเสร็จก็กลับก็แปลกใจทําไมพระ อ, องค์ไม่อนุโมทนาบอกบริษัทไม่บริสุทธิ์ ก็ว่าคนตนีนี่ไปเทวโลกไม่ได้ก็อมาณว่านั้นเนี่ยความตนีเกิดขึ้นในจิตนะนะมัจฉริยะเกิดขึ้นในจิตโอ้ยหมูเตเลี้ยงพระเลียงสองเลี้ยงอะไรอยู่อย่างนี้เดี๋ยวก็หมดตัวมันคล้ายๆกับเทวดาที่ที่เฝ้าบ้านอนาณาถบินทิกาเศรษฐีนะเทวดาที่อยู่ซุ้มประตูบ้านอนาณาถบินทิกาเศรษฐีก็มีลักษณะเดียวกันมัจฉริยะเจตสิกนะหรือว่าจิตประเภทขาดมุทิตาเกิดขึ้น มันก็จะทำให้ไม่ยินดีนะไม่ยินดีที่คนให้ทานเป็นต้นอ่าทีนี้ต่อไปนะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเนื้อความนี้พระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในพะลักษณะนั้นว่าพระมหาบุรุษไม่ถลึงตาดูไม่ค้อนตาดูไม่ชำเลืองดูเป็นผู้ตรงมีใจตรง เป็นปกติแลดูผู้คนด้วยปิยจักษุเขบอกว่าแลดูด้วยสายตาอันเป็นที่รักนะนะปิยะแปลว่าเป็นที่รักเหมือนกนะันใช้สายตาด้วยเมตตาด้วยความหวังดีด้วยความปรารถนาดี น, นะนะตาของเราเนี่ยเขาบอกว่าตานี้เป็นหน้าต่างของดวงใจหรือว่าจิตใจเลยนั่นแหละันถ้าลักษณะสีหน้าแววตาเนี่ยฟ้องได้เลยว่าสภาพจิตคนนั้นขณะนั้นเป็นอย่างไรจิตเป็นโทสะตาจะเป็นอย่างไร จิตเป็นโลภตาจะเป็นอย่างไรจิตเป็นโมหะตาจะเป็นอย่างไรนะถ้าหากว่าจิตเป็นโทสะเนี่ยตาจะดูแข็งเกร้าวนะถ้าหากว่าจิตเป็นลักษณะโมหะตาละห้อยเลยฟุ้งซ่านสายตาเนี่ยถ้าก็ถ้าดูอะไรก็ดูไม่ได้ดูอยู่กันที่หรอกไปเรื่อย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 โรคนั้นเกิดจากเจตนาเป็นต้นเป็นปัจจัยฉะนั้นเจตนานั้นอาศัยเครื่องมือคือจิตชาโรบเนี่ยก็ทํากรรมเพันจิตชรูปเหล่านี้เนี่ยก็เป็นตาด้วยนะถ้าคนที่ใช้สายตาด้วยเมตตานะสายตาก็เป็นสายตาที่น่าดูน่าชมเป็นต้นแต่ถ้าหากว่าใช้สายตาประเภทโทสะคนนั้นเนี่ยบอกไม่มีใครกล้าสบตาง่ายๆว การการสายสายตาแบบนั้นนี่นะด้วยโลภะมีไหมอ๋อมากเล้จนเนีฮะก็สักแกะดูนะเวลาไปห้างสิบสินค้าหรืออะไรเนี่ยนะที่ดูคัดคัดดูแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั่นอะโลภะเกือบเกือบร้อเเ็นเลยสมมติว่าเราเหลือกสายตาไปซ้ายขวารูกมองใครสักคนเนี่ยมองไปลักษณะอยากให้เขามองกลับเนี่ยมีไหมตอนหนุ่มๆนุ่มครับ ท่านไม่เคยน ะ, ะนมีนะมีแมโ้โดยเฉพาะองสาวนี่แหะตอนท้อสาวนี่แหละนะเพราะาเป็นกรมนกรมแล้วเป็นกรรมแล้วใช่ไหมเจตนาแบบนั้ น, นเนน <ะ S 2> จตนาให้เขาหันมาดูเราอีกทักครั้งหนึ่งก็ได้ <c oughs> ทำไมท่านหัวเราะล่ะครับฟังคำขำดีนะว <c oughs> <c oughs> ันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับ การใช้สายตานั้นก็เป็นเครื่องมือแห่งการทำกรรมเมื่อเป็นเครื่องมือแห่งการทำกรรมเนี่ยสำเนีจสังวรสายใจไว้เถอะในขณะที่เราแลเราเหลียวไปเนี่ยแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยปลิ้งกรอบสายตาเหลียวซ้ายแลขวาเนี่ยสังวรเถอว่านั่นแหละเป็นนิมิตแห่งการทำกรรมเราเคยได้ยินแต่นิมิตการทากรรมประเภทใช้ปืนใช้มีดใช้ไม้ให้ข้าวให้ของใช่ไหม แต่การกลิ้งสายตาแต่ละวันแต่ละวันนี้มากมายมหาศาลทาอย่างไรจึงจะมองด้วยสายตาที่เป็นกุศลได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ฝึกไม่ศึกษาไม่อบรมก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเป็นเรื่องที่น่าเสียใจโอ้ยมีดวงตามาตั้ง น, นั้นใช้ตามาเป็นสิบสิบปีแล้วน่าจะเอาตาเนี่ยเป็นนิมิตแห่งการทาบุญบ้าง <c oughs> สายตาที่บ่งบอกถึงความเหยียดหยามเนี่ยท่านมามีไหมมีเช่นพอ่อไหมสายตาที่เต็มไปได้วยความดูหมิน่นดูคแคลนเนี่ยมีไหมครับเช่นพอ่อสายตาพวกนี้นี่นะมีจริงๆนะครับสายตาที่ก้าวร้าวมีไหมครับโอ้มีเยอะนะทุกอย่างเลยอ่ะเช่น่อสายตาเหล่านี้เนี่ยนะเราคิดดูว่าทําไมเนี่ยคนต่จึงบางคนจึงตาเขทําไมบางคนจึงตาเอียงทําไมบางคนจึงตาเหล่ ทำไมบางคนเนี่ยตาขาวมากนะตาขาวมากเพราะนี่ไม่เป็นเครื่องหมายของการทำกรรมทำไมบางคนตาบอดข้างเดียวนะทำไมบางคนเนี่ยลืมตามองมากแสบตาอยู่ตลอดเวลาเพราะกรรมเนี่ยเพราะนี่ก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของการทำกรรมเพราะท่านเจงอธิบายว่าไม่ถลึงตาดูคือไม่เพ่งตาดูด้วยอำนาจความโกรธเหมือนปูนำตาออกเคยไหม เคยมองใครด้วยความโกรธไหมนั่นนะ่ะตาบาปเลยนะทำเหตุไม่ดีไว้แล้วไม่ค้อนตาดูก็คือไม่ใชยตามองคือเรียกว่ามองด้วยความโกรธนะเคยไหมอ่าใช้ตาที่แข็งมากเลยนะจะบอกว่ามองให้ตายได้ก็ยิ่งดีบางคนเนี่ยเป็นลักษณะนั้นเลยอ่าบางบางคนเนี่ยเป็นประเภทสายโทสะนี่จะเป็นลักษณะนั้นนะจะใช้บังคับด้วยการใช้สายตาที่ที่แข็งมากนันนะ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 แต่ถ้าหากว่ากุศลจิตเกิดบ่อยๆมันเป็นการพักสายตาในตัวด้วยสังเกตดูผู้โกรธเมื่อแลดูย่อมเป็นเหมือนตาคนตาบอดข้างเดียวกลนะัมองด้วยความโกรธนะนะเหมือนตากาย่อมเป็นคนตาเละและตาขุนมัวทีเดียวแนะค่เรียกว่าคนตาขุนบอกว่าบางคนเนี่ยตาเหลือกตาเหลืองเคยได้ยินไหม มีโจรนาแเพชราตฆ่าโจรเนี่ยเขาเป็นคนที่ตาเหลืองแล้วก็ตาเนี่ยเหลืองตาไม่ใสผู้ที่มีจิตใจผ่องใสเมื่อแลรดูประสาทมีสีห้านะของตาทั้งสองนั้นก็ปรากฏเรียกว่าด้วยกุศลจิตนั่นเอก็ตาของพระตถาคตย่อมทรงแลรดูอย่างนั้นอันหนึ่งโลกพร้อมทั้งเทวโลกจงดู รู้ความที่พระตถาคตนั้นทรงแลดูด้วยจักษุเป็นที่รักตลอดกาลนานด้วยเหตุดังนั้นพระมหาปุริสลักษณะสองประการกระทำความสมบูรณ์แก่พระเนตรย่อมเกิดขึ้นเชื่อว่าคล้ายกรรมนะสภาพเจตนาที่เคยมองเอาไว้เนี่ยเป็นสายตาที่ดีลคิดดูนะว่ากรรมที่จะมาแต่งให้ได้ได้มหาปุริสลักษณะเนี่ยนะ มากรรมที่เจริญประเภทเมตตามากๆมองด้วยสายตาอันเป็นที่รักมาแต่งตาของพระ อ, องค์นะกรรมบางอย่างมาแต่งสีผิวใช่ไหมกรรมที่แต่งสีผิวกรรมประเภทไหนน ะ, ะกรรมที่แต่งสีผิวก็กรรมประเภทให้ผ้าละเอียดเป็นต้นนั่นเองนั่นแหละฉั้นกรรมตั้งมากมายนะั้นมาแต่งแต่ละอย่างแต่ละอย่างให้ ฉันอข้อความในบาลีว่าพระองค์นั้นสเสวยวิบากอันเป็นผลบันเทิงอยู่ในสุขติทั้งหลายมาในโลกนี้มีดวงพระเนตรดุตาโคตาวัวเนี่ยดูไม่เป็นพิษเป็นพายจริงๆนะถ้าใครเคยสังเกตตาวัวเวลาลืมตาดูนะแต่ตาของสัตว์บางอย่างเนี่ยดูเป็นพิษเป็นภายแต่ว่าตาวัว น, นั้นดูแล้วสบายตามกันไ ม, ไม่ไม่ไม่มีพิษดูแบบเรียกว่าตาซื่อๆนะ ถ้าย่งแบบวัวที่จะไปฆ่าด้วยตาเนี่ยหน้าสงสาร น, นั่นแหละแต่ตาวัวเนี่ยจะดูดูดูไม่น่ากลัวนั่นแหละแต่ถ้าตาสัตว์อื่นๆเนี่ยบางทีถ้าตาเสือเนี่ย โ, โหแค่แค่เลียวมาเนี่ยเราก็เสียวแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นพระองค์นี่มีพระในตาดำสนิทมีการเห็นแจ่มใสพวกมนุษย์ผู้ประกอบในลักษณะศาสตร์มีความละเอียดผู้ฉลาดในนิมิต มีบทมากฉลาดในการตรวจเห็นในตามีสีดำสนิทและดวงตาเป็นดุจตาโคจะชมเชยพระราชกุมาร น, นั้นว่าพระองค์นั้นเป็นที่ที่น่ารักพระมหาบุุษดำรงอยู่ในเครือัดเป็นที่เห็นน่ารักเป็นที่รักของชนมากก็ถ้าพระองค์ละเพศครือัดเป็นพระสมณะแล้วย่อมเป็นที่รักของพู้หูชนและยังชนเป็นอันมากให้สั่ง พระองค์นี้เป็นที่รักของคนด้วยและพระองค์นั้นสา ม, มารถที่ขจัดความเศร้าความโศกของสรพพรพสัตว์ทั้งหลายได้ด้วยนั่นแหละผู้ที่มีความทุกข์ทางใจมากๆนะถ้ายิ่งยิ่งสมัยก่อนคนที่มีปัญหาในชีวิตมากๆหาความสงบความร่มเย็ยนให้แก่สภาพจิตตัวเองไม่ได้เลยเนี่ยคนประเภทนั้นได้ศึกษาพระธรรมคำสอนเนี่ยค่อยอยังชั่วหน่อยว่างั้นนั่นแหละแต่ว่าคนอื่นในของธรรมาเนี่ยเป็นเป็นอย่างงี้มาตลอดเลยนะเป็น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 ก็คือแต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจมากนะไขยย่ยังยังยังมีขึ้นเป็นพักๆนะไข่ใจยังไม่ถึงกระสางแต่ก็ถ้าหากว่าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้มันเป็นอะไรมันทุกทุกโดยที่หาสาเหตุไม่เจอนะต่อไปนะดูการพิสูนทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในพบก่อนในกําเนิดก่อนเป็นหัวหน้าของชนเป็นอันมากในธรรมะทั้งหลายฝ่ายกุศล เป็นประธานของชนเป็นอันมากด้วยกายาสุจริตด้วยวจีสุจริตด้วยมโนสุจริตเป็นหัวหน้าในการทําบุญนะในการบําเพ็ญทานในการสมาทานศีลในการรักษาอุโบสถที่ตรงนี้น่าจะมีบ้างนะชักชวนฟังธรรมนี่ น, นะจะ ไ, ได้มีโยมผูก้การอยู่ตรงนี้ด้วยบ้างนั่นแหละก็คือกอ็แม้แต่ชักชวนในการฟังธรรมก็ชื่ออยู่ในบําเพ็ญบำเพ็ญอะไร บำเพ็ญมโนสุจริตนะเพราะการฟังธรรมนี้เป็นเรื่องของมโนสุดจริตนั่นเองแต่ถ้ากล่าวธรรมนี้เป็นวจีสุจริตนะแต่ถ้าฟังธรรมนี้เป็นมโนสุดจริตนะแต่ที่จริงก็ได้ทั้งกายด้วยในขณะที่ขยับกายก็เป็นกายในขณะที่พูดก็เป็นวจีขณะที่นึกคิดก็เป็นทางใจนั่นแหละงั้นพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ชักชวนเชิญชวนให้เจริญสุจริตทั้งหลาย แล้วก็ในการปฏิบัติดีในมารดาในการปฏิบัติดีในบิดาชักชวนในการดูแลบิดามารดาในการปฏิบัติดีในสมณะการปฏิบัติดีในพรามเป็นผู้เคารพต่อผู้ใหญ่ในตระกูลและในธรรมะเป็นอาธิกุศลอื่นๆนะยังมีกุศลที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปประเภทอื่นอีกด้วยตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอันตนธรรมสังสมพอกพภูนไพบู์ครั้นจุติจากสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้ซึ่งมหาปริศลักษณะนี้คือมีพระเสียรได้ปริมณฑลดุดประดับด้วยพระอุณหิตเครียกว่ามีหน้าหน้าเป็นกรอบอหมือนันเถอะหน้าดูหน้าชมอ่ะ น, นะเกิดมาไม่เคยเห็นแบบนี้เลยนึกไม่ออกเลยนะมานึกไม่ออกเลยรู้เป็นยังไงพยายามมานมาจะให้เนรมิตให้ดูสักหน่อย พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิจะได้รับผลพิเศษข้อนี้คือเป็นที่คล้อยตามของมหาชนที่เป็นพราหมณ์เป็นเครือขาปดีชาวนิคมชาวชนบทโฮราจารย์มหาอมาตย์กองทหารนายประตูอมาตย์บริษัทเป็นเจ้าผู้เป็นเจ้าเป็นเศรษฐีราชกุมารคือพระองค์ทาอะไรเนี่ยประชาชนเนี่ยคล้อยตามหมดนะอเพราะว่าก็เหมือนกับในหลวงใช่ไหมโครงการในพระราชดํำริดำริแปล ว, ว่าคิด ในหลวงคิดคนก็ทำตามอย่างนี้ังั้นถ้าหากว่าคนมีบุญเนี่ยแค่คิดเฉยๆเนี่ยก็มีคนรับสนององค์การและแต่ถ้าคนไม่มีบุญนั่นนั่งบ่นอยู่เจ็ดวันตามวันวันนั้นหลายๆตลบก็ไม่มีใครทมตามสักคนเลยนะบุญนั้นต่างกันนะเนาะถ้าพระมหาบุรุษออกพนวดจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก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 ครั้นเสวยผลแห่งสุจริตแล้วมาในโลกนี้ได้ถึงความเป็นผู้มีพษะเศียรดุจประดับด้วยอุณหิตพวกที่ทรงจำพยัญชนะและนิมิตอยู่นะทนายว่าพระราชกุมารนี้จะเป็นหัวหน้าหมู่ชนเป็นอันมากอันแค่กรอบหน้าเนี่ยก็บ่งถึงลักษณะว่าจะเป็นหัวหน้าคนได้หรือเปล่าว่างั้นนะพวกที่เรียนโหราศาสตร์เออไม่ใช่เรียนเรียนตำราประเภทลักษณะมา เขาสามารถบอกได้เลยว่าเออเข้าโครงหน้าแบบนี้เนี่ยเป็นผู้นําหรือไม่เป็นผู้นำนะที่ที่เขาเรียนมานะของสมมาไม่ได้เรียนมาหรอกเร่งมาเรียนตรงนี้แหละแต่ก็ยังดูไม่ออกอยู่ดีหมู่ชนที่ช่วยเหลือพระองค์ในหมู่มนุษย์ในโลกนี้จักมีมากนะคนช่วยพระองค์เนี่ยเยอะจริงๆแม้ในเบื้องต้นในครั้งนั้นพวกพราหมณ์ก็พยากรณ์พระองค์ว่าพระราชกุมารนี้ถ้าเป็นกษัตริย์จะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน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 สารณะเป็นที่พึ่งใช่ไหมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเป็นผู้ชี้นำทางชีวิตจะขอพูดขอคิดตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านี่แหละขอปฏิบัติตามพระองค์กล่าวเรื่องกรรมก็พยายามที่จะเห็นตามพระองค์บอกขันห้าไม่เที่ยงเราก็พยายามคิดตามนะพระองค์บอกว่าขันห้าเป็นอนัตตาเราก็พยายามคิดตามมันเป็นได้ยังไงหาเหตุหาผลมาตรึกตามพระองค์ท่านใช่เพื่อที่จะได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจ ฉันชนเป็นอันมากก็จะคล้อยตามพาการประพฤติปฏิบัติตาม